ว่างจากความท้อเกินทนจึงท้อเกินรอจึงแยกเกินแบกจึงทิ้งเกินวิ่งจึงคลานทางไกลลวงตาให้เห็นแต่ขอบฟ้าที่มาไม่เคยถึงก้าวแรกลวงใจให้เห็นแต่จุดเริ่มต้นที่ไม่เคยใกล้เส้นชัยเมื่อเข้าใจว่าทุกเส้นทางมีที่สิ้นสุด ก็จะไม่หยุดหยุ่ที่ก้าวแรกกับทั้งตระหนักว่าก้าวสุดท้ายย่อมปรากฏหลังก้าวแรกเสมอไม่มีก้าวแรกใดพาไปถึงจุดสุดทางได้ขอบฟ้าที่มาไม่ถึงเป็นเพียงจินตนาการจอมปลอมถ้ายอมเชื่อก็ท้อเกินกว่าจะเริ่มก้าวแรกเสียด้วยซ้ำอุปสรรค มีไว้ให้ทำลายเครื่องขวางมีไว้ให้ป่ายปีนทุกเส้นทางมีความยากทุกความลำบากมีรางวัลรอเมื่อว่างจากความท้อก็ว่างจากการรอเปล่าแต่ประจุเต็มด้วยความแหืหันภายผันจากก้าวแรกไปสู่ก้าวที่สองมองเห็นก้าวสุดท้ายเป็นภาพจริง ที่สิงสู่อยู่ในทุกเก้าเดินอันทรงพลัง